ขอ เ, เจริญธรรมแด่ญาติโยมผู้มีความตั้งใจฝักใฝ่ในความหูใงเห็นจริงเท่เาเอาละเมนี้ก็เริ่มเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มก็เริ่มมจจบันนี่หละบางคนก็นอาสิบะท่านพอบางคนก็นอาสิพอ้อกันแล้ว แต่ว่าสำหรับนัดรลบลุกซิตของพระพุทธเจ้าบ่าวาสถานาการณ์แบบใดจรู้สึกว่าพร้อมพอร้อมที่สิง่งพร้อมที่สิไปพร้อมที่ซิยูเป็นนึ่งว่าไปเกียงตรงมีวรณใส่ตรงมีน้ำมันตรงมีไม่ขีดตองมีอ่า่เตรียมพร้อมครบชุดมัดเพราะต้องการแสงสว่างจุดปุ๊บ นักรบของผู้ดิเจ้าคือกันเตรียมพร้อมทั้งมดืดบดาวันไหวบดาวีตกกังวน้นกับสภาแวดหล่อมสิ่งต่างๆในต่างๆทั้งมดที่ว่าพร้อมอยู่แล้วในแดนการกระทําในด่านการที่จะเห็ุจะสร้างหรือทําให้มันเกิดทําให้มันมีขึ้นมันก็เลยบไดาวันไหวเลยบดาวิตกกัางวล สิ่งเหล่านั้นแม้ที่อยู่ที่อาศัยกับบดีพวงบดีพวงในการเป็นอยู่บดีพวงในการยูการพบการฉันทั้งเมดถึงเวลาใครเจ้ากับเตรียมพร้อมเพว่าเป็นเทวดากันนึกเอ า, าตัวตนหนึ ก, กต้องนชิดหนึกอยากนึกจะกินอยา ก, ก, ยากยางี้ทั้งทำยังกับรู้สึกมันกับเพียบพร้มพอมพร้อมกันตลอดนี้ตลอดเพราะฉะนั้นผู้นักปฏิบัติธรรม ผู้มีความตั้งใจในด้านการกระทําด้านการประพฤติปฏิบัติมีความตั้งใจมีความฝึกฝนตั้งใจมาดีมีความตั้งใจมาดีจึงไม่ออกบานทั้งพู้นทั้งบริลัมยิหลวงป่าหลวงเมืองกระบวนเปนหลวงป่าดอกหลวงทั้งทั้งกระบวนเป็นหลวงสัาก็ไปน้าทั้งอยู่บริเวณล้งทองไทยทองนากระแลนไปน้าทั้งอดลอดอดลอดอยู่แตงแตงเขาบานบ่ถึกอ เลยเลยเลยไปนี่เลยไปไก่าสักอันนี้เราความตั้งใจของญาติของโย่อมไกลเป็นได้กระดุนดันมหานี่มหาอ่าแสวงหาก็จักรสิภากันมหาอย่างเบื่อเนาะเอาไปบามา ก, ก็ได้บางคนก็บอว่าหาเจ้าของเอาอยู่บ้านม่มีเจ้าของตีก็มีอยู่เต็นบอเห็นเอามันอยู่พี่มันเห็นแเราติมันเห็นมันหูมันเห็นเราไปนี่ก็ไป อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่กันต่างค้นกับต่างหูต่างเห็นต่างคนกับตา่ต า, งต า, งบตางมีความเข้าใจแต่ว่ามาอยู่ร่วมกับมูมามีมูมีมเผื่อนมีกัลยะาณมิตรเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าหลายๆนับประพฤติปฏิบัติถ้ำหลายๆก็รู้รสึกมีความกระตุนแรงกระตุนของจิตใจข อ, ของเขาก็มีเห็นเพลนนางเห็นเพลนยกใหม่ยกมือเห็นเพลนเดินจงกรมเห็นเพลนทำความเพี้ยนก็เลยเกิดความอยากหูอยากเห็นเป็นเห็นเห็นอย่างเป็นถ้ำอีอย่างเป็น สั่งจังหวะพันยกมือว่แบ้มแบ้มไปเท็ดเท็ดอย่างเกิดข้อมสงสัยเกิดค้อมอยากหูอยากเห็นน้าเปิลนนี่น้าเปิลก็เลยทําก็เลยตามก็เลยหาพอหาแล้วเห็นแล้วพี่ว่าเท็นเจ้าของแล้วกะโอ้ยมันกะเป็นทีวีจะมีนึ่งน้องคนนี่ก็ไดน้องหัวถนนอันนี้ละลักการประพฤติปฏิบัติธรรมของเขานี่ของเขานั่นก็เลยเกิดขึ้นมาอยู่ตลอด วิธีการการกระทำของเขานั้รู้สึกเกิดขึ้นมาตลอดนี่ตลอดญาติโยมก็มีความตั้งใจมีความสนใจตูมาตลอดแต่ความเข้าใจหรือความสัมผัสกับธรรมะกระธรรมาชาติส่วนลึกภายในใจของเขานี่ของเขานั่นพวกเขาก็เป็นบุคคลที่หาเองเป็นยังบอกว่าไอพักพู้ได้เจ้ากับเพีนเป็นเพียงครูบอกหรือพระครูบาอาจารย์เป็นกับเป็นเพี้ยงครูบอกครูเพิ้ยงี่ฉี่ทางให้เดินเท่างให้ยัน เฮ็ด uh, จ, จังสั่งจังสีมันยังถือเฮ็ดจังสี่มันจังสีมีความพร้อมทั้งอารมณ์ uh, อารมณ์มันสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆสิ่งต่างๆที่มากระทบ uh, กับจิตกับใจของเขากับพยายามที่จะเอาสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นมาในขึ้นมาตลอดลรูปร่างทางชิงของเขานี่ของเข้าเป็นตัวแล้วเป็นอะไรก็เป็นอุปกรณ์ในการวิจัยเป็นอุปกรณ์ในการวิจัยในการกระทําของเข้าห้พวกเข้าในเรียนลูกกันไล่ไล่ รู้กันมดรู้กันซึ่งทุกอย่างทุกขนันทุกคณะทุกชีซึ่งทุกสทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมากเนี่ขึ้นมากแม้แต่ตนตัวของเขาเราวิภาควิจารณีก็มีภาควิจาร์ของคนเขาหนึ่งรู้สึกว่าวิภาคกับคนวิภาควิจารณ์คนอื่นนั้นวิภาควิจารณ์ไ ด, ด, ด้ทีได้ดีได้ยับได้ละเอียดได้ละเอียด on, อ่อนว่าพื้นคนนัน้นว่าพื้นคนนี่รู้สึกว่าโอ้เจ๋ง แต่ว่าการเว้าพื้นเจ้าของมาสรุปความถุกของเจ้าของเกิดขึ้นมาหนันรู้สึกว่ายังยังห่างอยู่หูหูคนอื่นนั่นหูดีดีผู้นั้นเป็นยังสี่ผู้นี้เป็นยังสั้นไม่ออกนั่นเป็นยังสี่พระองค์นั้นเป็นยังสั้นหลวงพ่อองค์นี้เป็นยังสั้นว่าวกันพื้นว้าพื้นว้าวควันจับพื้นจับควนกันไปนี่กันไปก็รู้สึกว่าวิจารณ์ได้ดีวิจารณ์วิจัยได้ดีนี่ได้ดี แต่กันเท้าย้อนกลับขม้าเบิ้งบันขม้าวิจารนิจใจของเจ้าของลองเบิ้งบันเฮเฮ็ดู่นี่จิตใจมันเคลื่อนไหวไปทั้งใดมันอมันหยกใหญ่จิตใจของเขาไปทั้งใดนี่ทั้งใดอเขาสิได้เห็นดินเนเมื่อเขาได้เห็นเห็นหูสัมผัสกับสิ่งเัล่นี้แล้วโอ้สิ่งต่างๆที่เขามันทุกข์ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเขาความทุกข์ที่มันทําให้เขาเดือดร้อนวุ่นวายเกิดความวุ่นวายกลาหนเกิดขึ้นมาภายในใจของเขาในของเขา ต้นเหตุมันเกิดมาจากจใส่กระเจอเกิดจากมาจากความหลงมาเกิดมาจากความหลงลงทุกขณะไม่ได้จิตใจของเขามันสั่งและสังอำนาจจักของมันอยูต่ตลอดเมื่อจิตใจสังอนาจจักรของเขาสติปัญญาของเขาก็อ่อนลงไปที่ลงไปตกเป็นธาตตกเป็นสมุนอ่าตกเป็นสมุนรับใส่ของกิเลสไปตลอดเพราะฉะนั้นว่าพวกเขาที่มันเหตุอยู่เนือเพื่อมากรอบกู่ความเป็นอินสระผาดทางด้านชีวิตจิตใจของเขา ยกมือแต่ละขณะยกมือแต่ละข้งแต่ละข่างแต่ละมีความผู้สึกกเมเอเอาความผู้สึกกุมเอของเขาเป็นตัวมันทัดฐานในการที่จะเข้าไปสัมผัสกับตัวธรรมชาติส้นลึกภายในใจของเขาบ่เป็นยกเตอรื่อบ่เป็นยกเหล่าก็ะซ่งคิดสระซ่งเจรกเขาไปนอกรูนอกนอกทางนอกนี่ไปหาคือทอดบาดคือทอดเมืองคือทอดคู่นั่นคือทอดคู่นี่เห็ุไปทำไปนี่ไปยกแต่มือสื่อๆแต่บวสติบวตามมันก็ไม่เกิดประโยชน์ เดินจมกมสื่อๆแต่สติของเขาประเดตามกับความรู้สึกของเขานีมันก็บวกรเกิดประโยชน์แม้แต่เกิดเดินจนเท่าแตกย่างจนตีนแตกกับมือมีความหมายอีกย่างทั้งมื้อพนี้ความหมายในขณะพนยกมือขึ้นในขณะหนึ่งขณะหนึ่งมีความรู้สึกเอาความรู้สึกของเขาติดในติดตโตติดใหม่ติดเมือ่อติดความรู้สึกของเขาไปตลอดอิริเวศเคลื่อนไหวอิริเวศใดก็ตาม ยีหรืบทย่อยหรืบทหยาบหรืบทละเอียดหรือสิ่งต่างๆแม้ได้คิดใจมันเนื้คิดไปสติของเขาเดี๋ยวกับเขามาอยู่เรียกว่าสั่งฐานสั่งฐานสติสมบัติช่นยาของเขาให้มันเกิดเหมือนกับบ้านมันก็ห่าสั่งบ้านสั่งเพื่อนเพื่อยังเพื่อต้องการที่ลบหลีกสิ่งต่างๆภัยธรรมชาติสิ่งบ้างแดดป่าลมฝนต่างๆนี่ต่างๆแม้แต่ป้องกันงวัคซีนสัตว์เล้อยคัานต่างๆ เพื bad, well. ่ออยังเพื่อความสบายในกราความเป็นอยู่ของเขาเพื่อความปลุกปลุกให้จิตใจของเขามีเพื่อความสะดวกสบายสภาพเชาว์ภาวะจิตใจของเขาขึ้นกันบ้านเรื่องของจิตใจของเขาต้องก็ต้องมีที่อยู่ที่อาศัยขึ้นกันสร้างที่อยู่ที่อาศัยของมัสติสมถยัญญาตัวนี้เลยซึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นผู้ปกปักรักษาเหมือนกับพอกับแม่เหมือนกับพวกเขาอยู่กับพอกับแม่หลูกเน้นหลูกหลานต่างๆเหมือนกับทุส่งการที่ผ่านมา หลูกหล้านมาเห็นพ่อเห็นแม่แต่มีความปิติยินดีมีความอิ่มอกอิ่มใจกับพ่อกับแม่มีความสบายอกสบายใจอยู่บ้านอยู่ไกลไกลห่างจากบ้านจากเมืองก็ถือว่าเป็นคนพ่อที่คนพัดคนพ้อยไปเกิดถ้าไม่อยู่กับพ่อกับแม่อยู่ในบ้านไม่ใช่ค่ากับพ่อกับแม่รู้สึกมีความอบอุ่นอบอุ่นทั้งนั้นจิตใจนอนก็บ่ได้หวัดเราแวงเฮ็ดยังทำยังกับพ่อแม่รับเอาเมื่อปีเอาเมื่อตื่นเสาร์ตนยามแรงกับบริโภค ทันทีทันยูพูดเดียวบันมีการตื่นต้นตื่นตัวอยู่ตลอดไม่ตลอดอันนี้คือกันสปิสมัยเชญญยของเข้าคือกันความรู้สึกรู้เมื่อของเข้าคือกันพยายามที่พุกตัวนี้ให้มันตื่นขึ้นมาเพื่อให้เป็นอยังเป็นพออ่าเป็นแม่เป็นพอเป็นแม่เพื่อที่ได้พกปักรักษาจิตใจของเข้าขันจิตใจของเขามีที่พึงพาอาศัยเมื่อนั้งเกิดขึ้นมามันกะบ่ได้หลงบ่ได้ลืมบ่ได้ลืมข้อมหูบ่ได้ลืมข้อมบ่ได้หลงไปกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบ เพราะฉะนั้นวันยกมือแต่ละขั้นแต่ละขณะเหตดล่องเบิงทำร่องเบิงเกิดกระทั่งเกิดการกระทั่ลงไปนี่ลงไปล่องเบิงอยู่อย่างกูบาอาจารย์เป็นบอกว่าการที่เขามาอยู่ในการในการกระทั่ในขณะนี้ขึ้กันอยู่ในสถานในวัดป่าใช้มงคลนี่ขึ้นกันเจ็ดหมื่อเจ็ดวันเจ็ดหมื่อเจ็ดขึ้นให้เขามาอยู่กับสติสัมปชัญญะของเขาตลอดลองเบิง ตลอดเ็มื่นเจ็ขึ้นตลอดเ็ดหมื่น7วันลองเบิงหนี่้องเบิงพยายามที่จะโชบเจอโอกาสพยายามที่จะทาหาโอกาสถึงวาสถานที่มันที่หีแน่นจะน้อยเขา ใ, าในป่าในในห่มใหม่ห่มม่วงในไรในสวนขกเจ้าก่าาเจ้าทำกลมเพียนกันขเขาองเบิงนีรลองเบิ ง, ง, บงยุ่เจ็บต้นเจ็บตัวองเบิงคันู้พื่ปืดปฏิบัติดีแล้วก็เอาหูจักหลีกเล่นหูจับตักตวงหูจับกอบโวยโวยเอาความรู้สึกเมือของเขากระบานกับเมือง โกยเอาความมุสึกของเข้าในกลับบ้านไ ป, ไปกลับบ้านกลับซองไปนี่ไปสติสมัชฌาย์เต็มอยู่ตลอดนี่ตลอดกาเท่องเป็นอยู่ลักษณะนั้นบ่ได้วันไหวกับอารมณ์อยู่แซมันก็เกิดส ม, มาอยู่แซมันจะมีควา ม, ามาสมัครสมานสมาธิกันระวางกายกับใจกันกายกับใจมีความสมัครสมารสมาธิกันดีแล้วกะไม่มีปัญหาและคนเข้าเมื่อคนเข้าเมื่อมีปัญหากระสิงนนี้เกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นชุกขณะ อารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาการนักปฏิบัติธรรมสิ่งต่างๆมันก็จริงๆแล้วจิเลสเนี่ยรู้สึกมันกัมีการพัฒนามีการพัฒนาในตัวของมันเองขึ้กันสังเกตบางนักปฏิบัติธรรมหลายๆคนหลายๆตันหลายโคตรหลายองคอ์่ามันก็เกิดขึ้นแต่ว่าเข้ากับแลนไปตามกับอารมณ์แลนไปตามกับความนึกคิดปรุงแต่งของสังขาร เมื่อร้อยแอนนไปแล้วนี่แล้วเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเ่าหยุดมันได้นี่มันได้ก็ยันหูจักว่าโอ้ไอ้สิ่งเรานั้นมันผิดสังเกตเบื้องเฮาเคยทํามาสมมุติเราพบคอพกแมหรือพระภิกษุสามเณรเท่าเท่กันเมื่อเกิดอารมณ์ต่างๆความพอใจเลยความพอใจเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดความพอใจเกิดมาปุ๊บนั่นรู้สึกว่าการกระทํานั่นมันการแสดงออกมาอยู่ตลอดเมื่อการกระทําเมื่อมันเห็ุไปตามอารมณ์ใดตามอารมณ์เหล่าเกิดความสํานึกดีเกิดขึ้นมาความคิดสํานึกดีเกิดขึ้นมาในขึ้นมา เกิดผิดหวังกับอากาศนันนๆเกิดผิดหวังกับอารมณ์นันนันที่มันเกิดขึ้นมาภายในใจของเขาโอ้เขานีบอนาเหตุอนาชิดอนาธรรมอนาว่าวอนาพูดออกไปเนี่ยไปอันนั้นถึงความสำนึกมันเกิดสติแสดงว่าสติตัวนั้นของเขามันอ่อนมากตามมาท่านบอสามารธิหยุดมันได้ยิ้มันได้ความรู้สึกสติสมาญิตัวนี้มันอ่อนมือมันอ่อนแล้วก็ไหลไปตามกับอารมณ์เพราะฉะนั้นว่าเมื่อสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมา เขายกมือแต่ละขังแต่ละคณะเดินจงกรมแต่ละก้าวกลับไปกลับมายืนเดินนั่งนอนคูเหยียดเพื่อนไว้กับพิตาหายใจอาปากอยู่ทุกเรียบทแม้แต่ะเวลาหลับเวลานอนขึ้กันนอนแบบใดยังสิไปเกิดสติสมยัยนอนแบบใดเฮาวนอนแบบใดจังสิมีความเกื้อกูลในการที่จะทําให้สติของเขาความรู้สึกคู่มือของเขาเนี่มีความเต็มเตยมอยู่ตลอดบางเป็นนอนแบบรับแบบแบบไหลแบบละเมอเพอพวงป๋าหนี่ไปบางข้างมาคณะคนนอนน่ยก็นอนละเมอ เมื่อนอนละเมือเกิดขึ้นมากขึ้นละเมอไปออไปนี่ไปแสดงว่าคนท่านนั้นแม้จะการหลับแต่ยังบอ่ออยู่ในเกณฑนในการเ ป, รปร็ปินักปฏิบัติอยู่ลักษณะเพราะฉะนั้นว่าเฮ็ุอยังท่าอย่างกันเขามีความตื่นตนตื่นตัว อ, อยู่สมอเส ม, ม, มเอไอ้ทิ้งแล้วนั้นมันจะเกิดขึ้นมากขึ้นหน่อยความมีตกต่างวนความออารมณ์ชุนเฉอที่มันเกิดขึ้นถ้าได้ใจของกันเขานั้นรู้สึกมันชิม่มหน่อยดังนั้นว่า ความกายความที่พวกเขาเห็ยยกใหม่ยกมือการกระทําพวกเขาที่ยกใหมย่ยกมืออยู่ในขณะทุกขณะนี่มันสีมองเห็นชีวิตจิตใจของเขาเมื่อมองเห็นชีวิตจิตใจของเขาแล้วก็ปัดทุคนทุกคนก็บอกว่ามีความมีจุดของอมีจุดหมายของเจ้าขอมีเป้าหมายของเจ้าของทุกคนพวกเขานักปฏิบัติธรรมคือกันเขาก็ต้องมีความมีเป้าหมายของเขาว่าเขาสิไปอย่างไหนเขาสิออกจากสิ่งอย่างเขาสิละจากสิ่งใดเขาสิมาอยู่กับสิ่งใด ไล่จากสิ่งนั้นแล้วเขาจึมาอยู่กับสิ่งใดมันก็พวกที่กขาติดสิ่งเสพติดขึ้นันเมื่อสิ่งเสพติดมันเมื่อติดไปมากๆนี่เขาก็ไปอยู่สิ่งนั้นแต่ครั้งทสิออกไปเขาจึงออกออกมาอยู่กับอย่างมันมันก็ต้องมีที่อยู่ที่อาศัยของมันให้กันเพราะว่าสภาพจิตของเขามันคอยเกาะคอยเกียวอยู่ตลอดสําหรับบุคคลที่จิตใจที่ยังอ่อนแอวั่นวายใดไงใดไงแต่คำพูดที่นี่จิตใจเฉื่อยแข็งล้วก็ออันนี้มีปัญหาเน็ตขาด ส่างลงไปนี่ลงไปเฮ็ดลงไปทั้งลงไปสติสมเฮียตัวนี้คือตัวพ่อตัวแม่ที่คอยปกปักรักษาให้ความยุติธรรมกับกิจแจกับชีวิตของเขาตลอดเพราะฉะนั้นว่าเฮ็ดลงไปทั้ลงไปส่างลงไปเฮ็ดลงไปมีความตื่นตนตื่นตัวอยู่เสมอยืนเดินดังนอนไปลล์ลเวลาพวกเขาจะเอาเพื่อนให้โอกาสและให้เวลาพวกเขาแล้วคล้ายๆว่าเพื่อนให้พร้อมพวกเขาแหละพวกพ้อออกไม่ออกพวกชาวบ้านนองกุ้งธนาสารเพป่นไก่พร้อมพวกเขาแหละเป็นหลับเอาเม็ด ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องอาหารเรื่องที่พักผ้าอาศัยถึงกุฏิวิหารบ่พ่อกันนอนเนี่ยมัคมใหม่คอมไหล่กันรู้สึกกันมีความสุขไร่บ่ได้ต้องไปนอนในห้องแอ่งของแอร์ทางบ้านทางเมืองมาแล้วนี่มาแล้วบ่ในวันมิตกกันยังทั้งเมดนอนลงไปทําลงไปขอให้หลับหับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ขึ้นมากันมีความสดชื่นเหมือนกับพวกเขานอนในบ้านนอนรูงสึกมันงงมันเหนียนอนบ่ใครมีสดชื่นตื่นขึ้นมากัรู้สึกว่ากับบ่ใครกับปีกระเป๋า แต่มานอนอยู่ลักษณะนี้หนูสึกมีความกะปิกะเปามีความเฉมแข็งกิตแจกของเขากระตื้นตนตื้นตัวได้ดีบ่งบอกว่าเฮานอนเหตุยังทําำยังกันรู้สึกว่ามันกะโอ้ยเฮ็ดด้วยมีเดสด้วยสติสมัชัญญาหนัหนูสึกวันมันมันเกิดเกิดเป็นความรู้สึกเกิดเป็นความผาคุ้มกิตแจกของเขามืาก่อนอาตมาก็บ่กคือว่าไอ้ความรู้สึกก็สติสมัชัญญาตานี้มันกะมันจะมีความหมายในขนาดนี้กะหลงเราเลื่องเพล่เพิดเพื่อนตานี่ไปมาตลอด แต่พอมากลับมาย้อนกลับเข้ววเามาบนชีวิตของเขาแล้วปัดโทแล้วแต่เขาติดชิตแล้วเขาแต่สิลิิตชีวิตของเขานี่ของเขาบางคนบอกว่าโอ้เราแต่กลับแต่เบ้นเราแต่พรมินชีวิตชีวิตของเขานี่พ่นสิชิตไปท่านใดท่านใดก็ดตามนี่ก็ตามคันมองลักษณะนั้ น, น, นแสดงว่าคนเขาเอ่อนแอทางด้านจิตใจดอนดอนสตนิปัญญาของเข้าชีวิตของเขาเป็นชีวิตหนึ่งที่เขาต้องมีความรับผิดชอบ หขามีควมรับผิดชอบการเข้าไปฝากไว้กับผู้นั่นผู้นี้ชีวิตของเขากับเรื่องสื่อมันกับวิวความหมายแต่กันเข่าสามารถที่จะรับผิดชอบในชีวิตของเขาเนี่ของเขาเขาที่ดาเนินชีวิตของเขาไปทั้งใดเขาทีตั้งเป้าหมายของชีวิตของเขาจะไปทั้งใดทั้งใดเขาก็มีเป้าหมายของเขาเจ้ามีเป้าหมายทั้งที่เกิดขึ้นเหมือนกับพวกเขาเดินจงก่มทําคนเพี้ยนเรื่ยกันจิตใจของเขาสีทรงไปทั้งใดนีทั้งใดก็มอยู่กับควมรู้้สกขขออองืเตันี เมื่มีความรู้สึกเรื่ยตลอดนีนตลอดชีวิตของเขาเมื่อเห็นในชีวิตปิตแจ๋ของเขาเราปฏิโทพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนที่หลวงพ่อเทียนเป็นบอกเป็นกล่าวเป็นฉีแนี่แนวมาให้นิมาให้ปัดโทเป็นอย่างเป็นอย่างคนจังบมเบิงเป็นอย่างคนยังบมมองมองกัมองแต่สิ่งอื่นมันอเกิดขึ้นวันน่ะเพราะว่าลืมหูลืมตาลืมไปหมดลืมหูลืมตาลืมกายลืมใจลืมไปหมดตลอดบัดนี้ก่อนโยคะมาไม่ได้ตาเขาเบิ่งขึ้นกันนะ ตาในรู b ó, b ó ้สึกม th ันกับว่าพอใครเห็นเจ้าของเทอเท่าใดเท่าที่ข่วนเว็นไปนีอซองกระจกเนาะสังเกตบ้างไหมเห็นในมันเหลียวบางทีเห็นเจ้าเจ้เห็นใกล้ๆเห็นได้เห็นได้เกินว่าแค้นดังดังจมอยอย่างนี้เห็นเหลียวบางแค่นี่ยแต่ว่ากานมองเห็นคนอื่นเนี่ยมองเห็นชัดชัด บางผู้นั่นเป็นอย่งซี่ลักษณะนั่นผู้นี้เป็นอย่งซี่ลักษณะนี้เห็นทังสัน้นทำทังสัน้นอยู่เป็นอยู่ลักษณะนั่นมองเห็นได้ชัดเลยดียดีมับงนั่นยังว่ามีนักปราชญ์อะไรว่านักปราชญ์หนึ่งสมัยของมักนักปราชญ์ของคนเอของจีนของเบงเดินตรวจราชการนั่งรถมาตรวจราชการไปไปเห็นเล็กน้อยสองเห็นน้อยกลุ่มหนึ่งกำลังสั่งเล่นเฮียนหน่อยบ้านเข้าคือบานเข้าเนี่ยเล่นเฮียนน่อยสั่งกำแพง มึงก็เด็กหน่อยอย็นเนี่ยสร้างกำแพงอยู่พ่อไปหอดรถกระจอดรถไม้ของเพ่ง ก, กระจอด ก, อ ก, อกึกกหมดพ่อจอดกึกลงไอน้นูหลีกทางหน่อยลุงจะผ่านแล้ว่ะเด็กน่อยคนหนึ่งเกิดขึ้นมานึ่ว่ายืนค้ามแอ๋วท่าไรกำแพงเมืองไหนหลีกรถไว้ลุงเหรอจังที่นี้น Higher, ขเขากาลังสร้างกำแพงกำแพงไ ม, ไม่มีทางที่หลีกรถได้เลยรถต้องหลีกกำแพงกันจังอ่าโทษเด็กหน่อย ก็เลยจบแหมไปไอ้หนูไปอยู่กับลุงกูสันมาไปอยู่กับลุงลุงเปที่สอนไห้เลี้ยงไห้เป็นผู้ที่ม okay. ีสติมีปัญญาดีๆเสียบแหลมไห้ที่เป็นผู้ผลสติปัญญาไห้ถามก็เลยมาจากใสนีนใจบอกว่าลุงหนึ่งคือคงเบกผู้เลี้ยงลูกเดือนดวงเดือนดวงดาวดินฟ้าอากาศทั้งเมดถามปัญหาแน่กัาสันมากันผู้ลู่เยลู่อิลีนี่อิลีกันแล้วก็ถามปัญหาเ็กหน่อยก็เลยถามปัญหา ดาวบนท้องฟ้ามีแค่ดวงว่าันน่ะป่ายังไม่นา ม, มีแคโตงว่าวันน่ะไอหนูเ อ, อ้ยอย่าไปถามทําไมมันไกลตัวไกลตาเป็นขนาดนั้นน้อว่ันน่แล้วก็ถามมาใกล้ๆแล้วแล้วขนตาเจ้ามีจค่เ ส, นสน้นวันน่ะให้นับว่ามีไงขนตามีแค่เ ส, นสน้นวันว่ะตอบว่าได้ล้วก็เอา้าจน ปัญญาอะไรก็เลยหลีกเอารถหลีกกำแพงเด็กน้อยไปตลอดอันนี้คือกันนะเพราะฉะนั้นว่าพวกเขาที่ไม่เห็นหนีเพื่อต้องการที่จะไม่เห็นเห็นใกล้ๆตัวเขาไม่ให้ไม่เห็นไกลเกินไปแม้แต่นางมีน้ากันก็ตามหันล้างให้กันนี่ให้กันที่จิงวันองคุธงธนสารเขานี่กะเป็นบั น, บนเกาบันแจแต่วัดเพื่อนอาทิสางหม่เหตุไม่ทำไม่มาในโบกี่ปีโบถึงเนื้ออาทิตย์สิบปีนี่เลยมั่งได้ แต่ว่าจริงๆแล้วแม้แต่หลวงพ่อเทียนคือยังอาจารย์นิวันอันคนยังมันค้นโพผิวบบันใดวุญพ่อใหญ่นี่ก็ได้บนคนบั้นเจ้าของบนค้นบั้นอกุ้งอาจารย์ว้อนเพิ่นบ้านนั่นแหละว่าเพิ่นมาเฮ็ดก็ยือกันสมัยนั้นหลวงพ่อเทียนก็มาคือกันนี่กันอยู่ปฏิบัติอยู่วัดในบ้านพู้นวัดเนี้เขผ่านมาวัดแจ่วสว่างวัดที่ัสมัยนั้นเพิ่นก็เฮ็ดข้่แจ่วเลื่อกัน วัฒนธรรมของข้าเจ้าข้าเจ้าก็เฮ็ดมากขึ้นกันเฮ็ดได้ดีคือกันเพราะฉะนั้นว่ายากความเข้าใจความเฮ็ดความหูความเห็นความป่วยใจกระตังคน้นกระงอยากหูหูวแล้วก็อยากให้พอให้แม่อยากให้ญาติพี่น้องมาเห็นยิ่งเป็นสางวัดใหม่ๆยังเสียลัคนีขึ้น ก, กันอากาศสถานที่ต่างๆนี่ต่างๆพวกเขาก็รู้สึกว่ากบบเออมั่นนาอนุโมทนาในด้านการกระทําของพระเจ้ามั่นนาอนุโมทนาในการกระทําของคนนี้ของคนนี้กิดใจบางคนก็โอ้ย ขันเขาพูดจักดีนี่ดีวัดในก็เป็นปถานที่ที่จะก็มีอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นกันตอนที่มาเป็นวัดอีกขึ้นกันกับมีอุปสรรคหลายสิ่งหลายอันลายแนวขึ้นกันโอ้ยลําบากขึ้นมาได้นี่ขนาดนี้นนรู้สึกว่าหนาภุ่มใจเพราะฉะนั้นมาพวกเขาญาดย่อมี่มาแต่อื่นแต่ทั้งไก่ขึ้นกันเมื่อเขามีความตั้งใจในสิ่งเหล่านี้แล้วเอาลองเบงิงพวกน้องเน้นลูกเน้นเ ข, ข้าขึอกันบวชขำว่าแล้วกต่ให้มีความตั้งใจลังเบิงจะได้เป็น เน่นผีเผีว่าหล่อกหลอกหลอกไม่ออกหลอกสบายบินสบายไม่ออกไมากินเข่ากินแล้วกันเหลนกันยอกกันหัวกันไปนี่กันไปกะอนันกะยังบอมีความรับผิดชอบพวกเขาร้องเห็ดล้องเบิงทำร้องเบิงตั้งสติสมชายของเขาเหลนก็เหลนมานานทํามานั่นแล้วสนุกสนานมานา่นแล้วแต่บันี้เขามาอยู่ในกรอบในถ้าในคลองของผู้ใดเจ้าร้องเบิง สิ่งใดที่มันเกิดขึ้นสิ่งใดที่มันบอเป็นประโยชน์ในด้านการกระทําสิ่งใดบอกเกิดขึ้นในการปฏิบัติเรงเขาก็เอาลดละ ล, ะลงไปกลับมาอยู่กับความรู้สึกเล็กๆๆ็กน้อยนั่น ร, รู้สึกว่ามีอารมณ์ใดไว้นี่ไดไว้ดีขึ้นกันแต่ว่าซุมมือนี่มันกะยากจังมือหนึ่งคนคอนจันอาจจะมีความภูมิใจเขาบอกว่าเมื <ST> ่อคอนจันน <ST> ั่น จังหวัดคอนแจนนั่นสามารถเจ็บภาษีไร้ได้ภาษีเงินได้เกินเป้าเกินเป้าที่เขาตั้งไว้เป็นพันกว่าล้านแต่ภาษีที่เจ็บได้มากที่สุดนั่นคือภาษีอัตมาอานแล้วก็บตกใจคือภาษีเหล่าภาษีเบีย แต่ว่าคนคนจันนี่กินเหล้ากินยากินเบียกกิ น, นสปปนิ่งท่านิรสุปัโต้แล้วมือนึงบัดเนี่ยมีบริษัทอันหนึ่งเขาบอกว่าเขาคำนวณเขาเนี่ยมาบ้างว่ามือนึงเขาที่เป้าตั้งเป้าหมายขายสิ่งเสพติดแ ส, สิ่งมึนเมาเนี่ยมือหนึ่ ง, ม, งมือหนึ่งประมาณสี่หมื่นเก่าต่อวันแต่กับวันได้าตามเปา้าได้แค่สามหมืนถึงสี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทต่อวันแต่กันเป็นเสาร์อาทิตย์บัดเนี่ย ท่นเป็นเสาอาทิตย์นี่ประมาณนั้นหาหมื่นหรหกมื่นบาทต่อวันหมดนลขายขายยางเดียวได้เนี่ยขายเบียร์ย่างเดียวได้เนี่ยมือหนึ่งมือหนึ่งเนี่ยท่าเป็นเสาอาทิตย์เนี่ยคนเฮาเนี่ยมันกินคักกินเนี้ยคักประดั่นอ่านมึงแล้วกันที่กินเขาวัาน่ะจะลองสองลอยปีของเมืองคอนกจนอ่ะอัตมาบังแล้วทำมาฟังแล้วกันโอ้ยก็นานานสองลอยปียังสิพากันไปตั้งไห เ็ตยังไงมันยังไอ้เขตยังไอ้คุณธรรมไอ้ศิลธรรมวัฒนธรรมทิ้งกันต่างซีโนนี้มันยังสีสูญหายไปมีไฟเ็ตบุญท้ำบุญกินกันเหล่าเกินเตี่เหล่าเขื่นมากนี่ขึ้นมากเอาเราเอายามามาปอดมานนี้กันพอมาฟังพอมาเห็นลักษณะนี้เระปัดโธ่สังคมสังคมปัจจุบันนี้รู้สึกมันก็นานาวิตุกนาห่วงนาเป็นห่วงซื้อกันยิงแล้วเยาวชน คนเด็กน่อยพวกเขาจังเด็กหน่อยลูกเ น, น, น้นของพวกเขานี่กัมานี่คือกันดีที่มีความตั้งใจลักษณานี้ดีก็เด็กน่อยส่วอื่นที่เข้าเจ้าไปเล่นเล่ น, ล น, ลนหัวแล้วก็ไปซิ่งเสพสิ่งเสพทิศมืนเมาสิ่งต่างๆดมอ่ากาวดมยังทั้งมดอ่ะถึงเอาสืดื้อจักหน่อยในกระซังหัวมันเนาะยัยงดีดีก็ให้ไปเล่นไปเที่ยวไปเล่นไปกินได้ิ่งเสพทิศซิ่งมุนันมุนันพวกเขาก็ขึ้นกันพกครอพวกแม่ขึ้กัน อยู่ยังเด่เหตุยังได่ท่านมีได่เพราะโลกปัจจุบันนี่รู้สึกมันมันแรงเวียงของโลกนั้นไม่มีมากสิ่งกระทบทั้งนั้นจิตใจของเขาคันบ่มีเกาะก่องกันในที่นั้นจิตจิตใจของเขานี่ยรู้สึกมันก็อยู่ยากขึ้นกันอาลมณ์แต่ละครั้งแต่ละขณะอารมณ์แต่ละสิ่งต่างๆที่มากระทบสื่อต่างๆที่เขาอยู่หรือช่วยชวนพวกเขานั้นรู้สึกว่าอัตราก็จะว่าหายก่อนยุคข้อมเขาเผยแผ่ลักทีข้อมันนิสสมัยก่อน ให้คนเขาแผลเปรียดระทีข้อมณิตยุคเรียกว่าวัตถุนิยมปัจจุบันในรู้สึกมันครอบงำจิตใจกรบความชีวิตจิตใจของเขาคลายควาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาหมดหรอกที่เขาเห็นเขาการสิ่งของสิ่งของต่างๆที่เขาโค้งศีรษะที่เขานี่ตามที่นีตามอซื้อต่างๆนี่ต่างๆมันรู้สึกว่าเป็นการกระตุ้นเป็นการกระตุ้นความรู้สึกของเขาแม้แต่สิ่งน้อยไม่ได้เอกขนมเขากรอบยังต่างๆนี่ต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยรู้สึกว่า โอ้เห็นแล้วรู้สึกว่าเกล่อนกล่าไปหมดเลยเด็กๆเ็กหน่อยหู่นจะไปหมดซื้อกินทุงราคาบาท1ิบาทลงไปทั้งๆที่ก็บบุญประโยชน์อย่างทั้งหมดแต่ว่าอาศัยการโฆษณาบันนี้มามองอีกมุมหนึ่งว่ามีสองมีสามี่บริษัทกำลังถุ่มโฆษณาเลยจิ้นค่าสิ่งเ่าเนี่ยสิ่งเราอุปโภคบริโภคกันแล้วเนีบริษัทละหาสิบล้าน ยิงสปอตโฆษณาเพื่อว่าต้องการกระตุน้นกระตุ้นให้คิดอยให้กระตุ้นขอ ง, ของคนบางในแห่งนี้ความน้ำไหลเฮียน้ำไหลหัวเป็นม็ดนี่ไป็หเม็ดไอ้พวกเขามาจัดงานอย่ลักษณะนี้แล้วตัวไหนมีงบประมาณเท่าใดนะ่ะโมมีงบประมาณรัฐการกับโมเคมยมาซอยม า, านีเงอนเยอะเทียบแต่มาบุคคนที่ซักจูงพวกเขาออกไปทางนอกมันรู้สึกมันมันหนาเป็นห่วงน่าเป็นห่วงในการกลายเป็นอยู่ของเขานี่ของเขาเพราะฉะนั้นว่าพวกเขา น, นต้องต้องมีความเฉ้มแข็งพอสมควร ยิงแล้วพอแม่เด็กหน่อยวัยรุ่นตกเป็นธาตุตกเป็นธาตุอารมณ์ตกเป็นธาตุแห่งวัตถุกันทั้งมดหนีทั้งหมดก็เลยหนาเป็นห่วงเพราะฉะนั้นว่าพวกเขาที่มักกอบกู่มากกลับมาอยู่กับความหนุนหนของเขานันนรู้สึกเป็นเป็นสิ่งที่หนาพุ่มพราวพุ่มใจชาวพุทธของเขาเหราะนม้เป็นพุทธแท้แท้ไทยก็ขอให้เป็นไทยแท้แท่จให้เป็นไทยโดยก้อนตกเป็นธาตุของอารมณ์บ่าแม่เฮ็ดไปตามใจตามใจของฉันเลยเฮ็ด ได้ตามใจคือไทแท่นนั่นมันมันมันบ่มีแล้วบ่มันแล้วปัญหาเรื่องสองคมสังคมปัญหาของเรื่องการเป็นยูของเขาสังเกตบ้างไหมเสมอเนี่บ้านไม่แต่บ้านนรุมธนาสารของเขาเนี่ยขี่รถผ่านมาหมื่นมาเดนทานาขวัดนั่งทางหนาขวัตอยูให้กันคือชิมันเพื่อช่วงเพื่จัดการจัดงานอันนั้นก็เอนว่าฉีบุญเนีเข้าถิ่ไม้ไห่นะเศษกระดาษบ้างจักม่นยังตแมันยังเกื่อนกาดไปมืดเต็มทองไฮทองนาไปมด ภาวะความสิ่งเรานิ่หรือซึกเขาห้องบ่เคยฉิดอ่ะเอาแต่ความสะดวกสบายของเขามาเป็นที่ตังแต่กี่ต่กรอนพ่อแม่ขวงเขาก็เคย เ, เอาใบจองเอาใบไม้ห่อเขา่าห่อน้ำบ่มีถุงกระดาษบ่มีถุงพลาสติกอ่าทิมไปแล้วมันก็สามารละล่ายไปใดนี่ไปใดแต่ซื้อมือเพ่เป็นลักษณะนั้นเอาไปตลาดเกิดไปกี่กตะขีกระตานเดียวขอสอกไปนีไปน่ไปใส่กับเขา่าใส่อาหารมาหนี่มาซื้อมือเ่อเป็นถุงพลาสติก สื่อมาถือมาถือมากก็ใ ส, ส่ที่เดียวใส่ที่เดียวกระทิมใส่ที่เดียวก็วถทิถมสภาพแบนหล่อมมุษย์ภาวะต่างๆนี่ต่างกันเมื่อกิดา ม, มานี่มาบ้านแท่นที่สิสะอาดสะอาดกับเป็นบ้านซบกรปรงบ้านรอบบ้านรอบเมืองเกิดเป็นภาวะขยะล่นบ้านหล่นเมืองไปมดขยะนั่นกับพอท้ำเนา่ขาขยะส่วนภายนอกแต่คำว่าขายะทางด้านจิตใจของเขานั้นนึกถึมันยิ่งหล่นหลายออกมาเนี้ยออกมา ข่มโลภข่มโกรธข่มหลงที่มันเกิดขึ้นมาภายในใจของเขานี่ของเขาบ่มีบ่มีระบบระเบียบท่านนั้นจิตใจชีวิตจิตใจของเขานั้นยิ่งเป็นหนาห่วงกอนสภาพแวดล้อมทางภายนอกมนภาวะภายในจิตใจของเขานั้นก็ยิ่งอบอวลยิ่งมีความกระวนกระวายยิ่งบางคนบัสิปัจจุบันนี้สังเกตบังเกิดเป็นโรควิตกกังวลกันหลายนี่กันหลายเมื่อเกิดวิตกเป็นโรควิตกกังวลกันเกิดึมากขึ้นยิ่งมากขึ้น ความผิดประการีฐานจิตใจก็บมีนี่ก็บมีเกิดขึ้นมากยิ่งแล้วอยู่ยืนที่วัดโมกขึ้นกันคนพันไปพันมานี่พันไปพันมามีทั้งคนดีมีทั้งคนซัวสารพัดขะเข้ากันไปบางคนก็โอ้ยเป็นบ้าเป็นบ อ, เ ป, นบอเป็นเนื้อเสียจิตเสียประสาทกันไปเนี่กันไปเมื่อแล้วกับปัดถูหาลังเทือยอย่างไปบ้านยางอชีรถชีลาไปพ่ออกไม่ออกค้างเทียรเดินเดินเดินห้างปิญญาตย่อมเห็นคนหนึงกับนางเดิน ตามทางถนนบ่ใสเสืียบ่ใสผ่ายงยนก็เลยก็เลยก็เลยไปโอ้ยป น, นั่นบ่คนมันมัดที่อยู่ที่อาศัยป น, นั่นกี่คนเพราะฉะนั้นมาพวกเขากันย่าอยาจะคิดว่าโลกปัจจุบันนี่มันที่มีความหนาอยู่หนาอาศัยแต่ขันเขาบ่มีพุ่งคุ้มกันชีวิตจิตแ จ, จอของเขานั้น ไอ้สิ้นแล่านี้มันก็เป็นตาห่วงนาห่วงคือกันเพราะฉะนั้นมามฉีดยาฉีดพุม่มอจะสางพุ่มพุ่มกันนครับจิตใจของเขาหามันหมากขึ้นนี้มากขึ้นพวกเขายังที่อยู่ในโลกนี้ได้นี่ได้ขันโบมีพุ่มคุ้มกันสิ่งเหล่านี้แหละครัวันไหวไปเมื่อต์นี่ไปเมดโล ก, กิตกำลังเทวร่างโล ก, กิตกำลังระบาดโลกภาษาลกำลงังลังคุกคามไปเมด่อตนี่ไปเมดลงบั่นโลกกิจนี่เสียขยายออกไปเนี่ยวไปจนเตียงคนไข่จนบวชพ่อแหละเมื่อคอนเจันกะ ขยายจากทีเดิมออกมาอยู่แถวหนาค่ายนอกแปดแล้วสถานที่ข้างในมันบกพอขยายออกมาเนี่ยออกมาเพื่ออย่างเพื่อลองหลับความทาั้งทังที่เขาพวกเขาเราประเทศเขากำลังะมีการพัฒนาแต่พัฒนานี่ถึงสูงกว่าพัฒนาไปทางไห่คนมอมเมาคน้นซื่อกันงอหัวปรขึ้นเพราะเป็นตัวของตนเองแม้แต่ซื่ อ, อยังกินขึ้นกันเพชรยังทําำยังกันต้องเบิ้งเบิงในและการทีวีแต่ก่อ น, นเขาเองยังกินสะดวกสบาย ปิ่งไก่ปิ่งกา ท, งทั้งทั้งที่เขาเห็ดเป็นอยู่แต่แห่งพอเห็ดเขเฮ็ดมาแล้วแบบโอ้หซื้อเอาความสะดวกสบายเป็นที่ตัง้งอันนี้แหละ ม, มันไม่ได้เกิดความนี่มาทั้งทั้งที่บางครัง้งมาคณะอาหารซิ่งเนั่นก็เป็นเพียงแช่ขยะอาหารซื้อเศษอาหารซื้อกินเหล่าก็ไม่มีเี็ย่งทั้งเมือ่อวันานมของพวกเขาเห็ดกินเห็ดเก๋เห็ดกินก่นมี อาหารนีผสมผสานอะไรต่างๆกับอังโงงอาหารทำไมสมัยพอแต่ไม่ปูย่าแต่แย่ของเขานั่นเราสืกันที่เลเลื่อนไปหมดหรอเหตุเมเป็นอาหารสมัยสมัยแม่แต่ชู่บ้านน้องกุ้งก็อาจจะเอาใส่ถุงใส่อาหารถุงแลนใส่ก้นมาจะสอกมันจะใส่มาขายขายขายคนฉี่ขันก็ซื้อกินกินไปแต่เข้ากัน